จึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขมีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับ การฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทําอะไรกันเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นคำสอนที่ไม่เหมือนคำสอนอื่นๆในโลกนี้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะไม่รู้ว่าการประพฤติการปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญมีความทุกข์น้อยลงไปหรือหมดไปแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังเราก็จะ รู้แเราก็จะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเพราะพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนคนนําทางที่เรายังไม่เคยไปกันถ้าเราเดินทางไปในทางที่เราไม่เคยไปเราก็จะไม่รู้ว่าเราไปถูกทางหรือไม่ก็ <c oughs> เ, เมื่อถึงทางแยกเราก็จะไม่รู้ว่า เราควรจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือตรงไปแต่ถ้ามีคนนำทางคอยบอกให้รู้ว่าเมื่อถึงทางแยกแล้วให้เลี้ยวไปทางใดเราก็เลี้ยวตามไปไม่นานเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันพวกเราทุกคนเกิดมาในโลกมีความปรารถนา ที่จะมีแต่ความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์นี่คือความปรารถนาของพวกเราแต่ทำไมเรายังไม่สามารถหนีจากความทุกข์ไปได้หรือพ้นจากความทุกข์ไปได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราเดินเข้าหาความทุกข์นั่นเองแทนที่เราจะเดินออกจากความทุกข์เรากลับเดินเข้าหาความทุกข์ นี่คือปัญหาของพวกเราเราไม่รู้จากวิธีที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอนแล้วก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามได้มากน้อยเพียงไรก็จะห่างไกล จากความทุกข์มากน้อยเพียงนั้นเราจึงต้องมีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นเหมือนยาขมซึ่งพวกเราไม่ค่อยชอบรับประทานกันแต่เรารู้ว่ายาขมนี้จะรักษาโรคของเราให้หายได้เหมือนเวลาที่เราไปหาหมอ เราไม่อยากจะให้หมอผ่าตัดกันแต่เมื่อหมอบอกว่าต้องผ่าเราก็ต้องเชื่อหมอเพราะเชื่อว่าผ่าแล้วเราจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นการที่เราจะปฏิบัติเพื่อให้เราได้พ้นจากความทุกข์ให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวนั้นเราต้องมีความแน่วแน่มั่นคงต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ถึงแม้ว่าจะรู้สึกขัดกับความรู้สึกของเราก็ตามแต่ขอให้เราเชื่อเถิดว่าความรู้สึกของเรานี้ส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกที่จะจูงให้เราเข้าหาความทุกข์แต่ความรู้สึกของของที่เราได้จากคําสอนของพรอพุทธเจ้านี้จะดึงให้เราออกจากกองทุกข์ดังนั้นเราจึงต้องทําในสิ่งที่เราไม่ อยากจะทำกันไม่ชอบที่จะทำกันเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นเหมือนยาขมนั่นเองที่เราไม่ชอบรับประทานกันแต่เราต้องฝืนใจต้องบังคับใจของเราให้รับประทานกันเพราะเมื่อเรารับประทานยาแล้วโรคภัยต่างๆก็จะหายไปถ้าเราฝืนปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้ว ใจของเราก็จะหายจากความทุกข์ไปตามลําดับจากเล็กจากน้อยจนไปถึงไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยนั่นก็อยู่ที่ความสามารถของเราที่เราจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้มากน้อยเพียงไรนั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามฝืนใจเราบังคับเรา ให้เราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเถิดแล้วผลที่ดีงานก็จะตามมาในภายหลังต่อไปอย่างแน่นอนขอให้เราคิดว่าเป็นความทุกข์เบื้องต้นแต่เป็นความสุขเบื้องปลายบ้านปลายดีกว่าความสุขในเบื้องต้นแล้วไปทุกข์ในบ้านปลายอย่างที่พวกเรากาลังมีกันอยู่ พวกเรานั้นจะมีความสุขในตอนต้นกันเวลาเราอยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรเราก็ทําตามที่เราอยากได้อยากทําเราก็มีความสุขกันแต่พอถึงตอนปลายเราก็จะต้องมาเสียอกเสียใจร้องโหมร้องไห้กันเพราะสิ่งที่เราได้มานั้นจะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากสิ่งต่างๆ ที่เราได้มาไปเนี่ยความสุขของพวกเราแบบนี้จึงไม่คุ้มค่าต่อให้เรามีความสุขมากน้อยเพียงไรจากสิ่งต่างๆที่เราได้มาหรือจากการกระทําต่างๆที่เราได้กระทํากันแต่ความสุขเหล่านี้จะหายไปหมดเลยพอเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือเราต้องจากสิ่งที่เราลักไป ตอนนั้นความสุขต่างๆที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆนั้นจะเป็นเหมือนควันไฟหายไปหมดเลยจะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจความอะไรอาวอนกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่สมอยู่ในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาเลยในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เรา สละให้เราละความสุขทางโลกให้เราละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆให้เราละยศถาบรรดาศักร์ต่างๆให้เราละการสรรเสริญนินทาให้เราละความสุขที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นกายเกิดได้จากรูปเสียงกลิพพ่นรสโผฏฐะอย่าไปหา ความสุขเหล่านี้เพราะความสุขเหล่านี้ไม่จีรังถาวรเพราะว่าร่างกายของเรานี้ไม่ไม่หนุมไม่แน่นไม่สาวไปตลอดจะต้องแก่ลงไปหูตาก็จะต้องมืดมัวลงไปหูก็จะหนวกลงไปทีละเล็กทีละน้อยต่อไปก็จะไม่สามารถหาความสุขต่างๆจาก ด้วยร่างกายของเราได้ตอนนั้นก็ต้องอยู่ในบ้านตามลําพังมีแต่ความเศร้ามีแต่ความว้าเหวแต่ถ้าเราฝืนทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะมีความทุกข์ในตอนต้นเพราะมันฝืนความรู้สึกของเราเช่นท่านสอนให้เราสละทรัพย์ของเรา ให้เอาเงินนี้มาทำบุญให้ทางเราก็จะรู้สึกเสียดายเงินทองเราก็ทำอาจจะทำบ้างได้บ้างแต่ไม่มากไม่มากเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงทำพระพุทธเจ้าทรงสละหมดเลยนี่มีร้อยก็สละร้อยไปเลยตอนนี้พวกเรามีร้อยก็สละเพียงสิบเท่านั้นเองก็ยังดีกว่าไม่ได้สละเลย แต่ต้องขอให้รู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองถ้าเราต้องการที่จะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์เราอย่าไปพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเรามีเงินทองนี้เอาไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นปัจจัยสี่คือ อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเงินทองส่วนนี้เป็นส่วนที่จำเป็นแต่นอกจากนี้แล้วอย่าใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขเพราะมันจะทำให้เราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเวลาที่เราได้เสพยาเสพติดเราก็จะมีความสุข แต่เวลาที่เราไม่ได้เสพยาเสพติดเราก็จะมีความทุกข์ทรมานใจแต่คนที่ไม่ได้อาศัยยาเสพติดให้ความสุขจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ไม่ได้เสพยาเสพติดฉันใดการที่เราเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขก็เหมือนไปซื้อยาเสพติดตราบใดที่เรามีเงินซื้อเราก็ก็มีความสุขได้ แต่เวลาใดที่เราไม่มีเงินทองเราจะเหมือนคนติดยาเสพติดที่ไม่มีเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพเราก็จะมีความว่าวุ่นขุน ม, มัวมีความไม่สบายอกไม่สบายใจแต่คนที่ไม่ซื้อไม่ใช้ยะไม่ใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุข <c oughs> ก็จะไม่เดือดร้อน เพราะเขามีความสุขอีกแบบหนึง่งที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบใจจะสงบได้ต้องสละความสุขทางทา ง, ทงด้วยการซื้อเงินมีเงินอย่าเอาเงินไปซื้อความสุขแต่ให้เอาไปบริจาคให้เอาไปแจกจ่าย สงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วใจของเราจะมีความสงบขึ้นมาจะมีความสุขขึ้นมาแต่การให้อย่างเดียวนี้ยังไม่พอนอกจากการให้แล้วเราก็ยังต้องรักษาศีลด้วยคือจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตเวณหไม่พูดปด ไม่เสพสุรายาเมาซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดกับความรู้สึกของพวกเราพวกเรารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินการที่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเองนี่ไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเราเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราได้ทําแล้วเรารู้สึกจะสบายใจเวลายุ่งมกัดพอได้ได้ตบยุงก็จะรู้สึกสบายใจ แต่เราไม่รู้ว่าผลที่เกิดจากการทำบาปนี้จะทำให้ใจของเราขุ่นมมวจะทำให้ใจของเราเศร้าหมองมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจแล้วหลังจากที่ตายไปเรายังต้องไปใช้กรรมต่ออีกเราฆ่าสัตว์ชนิดใดเราก็ต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นให้เขาฆ่า ฆ่ายุงก็ต้องกลับไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าฆ่ามดฆ่าปลาก็เช่นเดียวกันก็ต้องกลับไปเกิดให้เขามาฆ่าเราแต่ถ้าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเวลาเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ <c oughs> เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยและเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมด้วยดังนั้น ขอให้เราพยายามทำสิ่งที่มันเื่อกับความรู้สึกของเราแต่เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของเราเพราะจิตใจของเราจะมีความทุกข์น้อยลงไปจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปทานเราก็ต้องให้ไปให้เรื่อยๆให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสีเลเราก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องมา ทำจิตให้สงบด้วยการทำจิตให้สงบนี้ต้องอาศัยการภาวนาการภาวนานี้แปลว่าให้มีสติควบคุมจิตใจให้รู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่จะทำให้ใจมีความสงบเช่นการสวดมนต์นี้ก็เป็นอารมณ์หนึ่งที่จะสามารถปลองใจของเราให้สงบได้ หรือการฟังเทศฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ก็จะปลองใจของเราให้สงบได้ในระดับหนึ่งแต่สู้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไม่ได้หรือการดูลมหายใจเข้าออกไม่ได้เพราะจะทำให้จุดสงบมากกว่าการสวดมนต์มากกว่าการฟังเทศฟังธรรม แต่ในเบื้องต้นเวลาที่เราภาวนาถ้าเราไม่สามารถควบคุมใจของเราให้อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกได้เราก็อาจจะต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนว่าอย่างน้อยเวลาฟังเทศยังมีเรื่องราวให้ใจของเราคิดได้แต่คิดไปในทางธรรมะเมื่อคิดไปในทางธรรมะใจก็จะไม่ฟุ้งซ่าน ใจก็จะสงบลงได้ในระดับหนึ่งหรือถ้าเราสวดมนต์ไปโดยที่เราไม่คิดเรื่องต่ตางๆใจของเราก็จะสงบลงไปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราอยากจะต้องการให้สงบมากไปกว่า น, นั้นเช่นเวลาเราฟังเท่ไปแล้วใจรู้สึกเย็นสบายสงบไม่คิดอะไรมากเราก็หยุดฟัง แล้วลองกำหนดดูลมหายใจต่อไปดูซิว่าจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้โดยไม่คิดเรื่องต่างๆได้หรือเปล่าถ้าไม่คิดเรื่องต่างๆได้ก็ให้ดูลมไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะค่อยสงบเข้าไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเดินเข้าไปในถ้ำจะรู้สึกว่าเสียงต่างๆอะไรต่างๆภายนอกนั้นจะ ค่อยๆจางหายไปจะมีแต่ความว่างมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายหลงเหลืออยู่ขอให้เราดูไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะรวมลงสู่ความว่างอย่างเต็มที่ได้ตอนนั้นก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจนี่คือความสุขที่พวกเราไม่ต้องใช้เงินทอง ซื้อมาเป็นความสุขที่เราไม่ต้องหาสยคนนั้นคนนี้เหมือนกับที่เราหากันทุกวันนี้เรามีความสุขเพราะเรามีสามีมีภรรยามีลูกมีสิ่งต่างๆที่เราชอบที่เราอยากได้แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเขาไม่จีรังถาวร เขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยจากการที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปความสวยงามก็จะค่อยหายไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วต่อไปก็จะไม่มีความสวยงามหลงเหลืออยู่หรือถ้าเป็นของใช้ต่างๆก็จะค่อยๆเก่าลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จะ ไปถึงจุดที่เราไม่สามารถที่จะอาศัยเขาให้ความสุขกับเราได้เราก็ต้องไปหาสิ่งใหม่ๆมาทดแทนเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีความสามารถไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆมาทดแทนสิ่งเก่าๆตอนนั้นเราก็จะมีความทุกข์ใจทรมานใจ มีความเศร้าสร้อยงอยเหงาแต่ถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบด้วยการภาวนาเราก็ไม่ต้องอาศัยบุคคลต่างๆไม่ต้องอาศัยสิ่งของต่างๆไม่ต้องอาศัยเงินอาศัยทองมาให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในตัวของเราเอง ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆตอนนั้นเราจะพบกับความสุขที่เหนือความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเราได้พบความสุขแบบนี้แล้วเราจะมีกำลังใจที่จะตัดความสุขต่างๆที่เราเคยอาศัยอยู่ ถ้าเราเคยมีคู่ครองเราก็อาจจะแยกทางออกจากคู่ครองไปเพราะเราอยากจะไปบวชอยากจะไปปฏิบัติอยากจะไปหาที่อยู่ที่สงบวิเวกอยู่ตามลาพังเพราะเวลาอยู่กับคนแล้ววุ่นวายใจมีเรื่องให้คิดมีปัญหาให้แก้อยู่ตลอดเวลาแต่เวลาอยู่คนเดียวนี่แสนจะสบาย ไม่มีใครมารบ ก, กวนใจถ้าได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วจะกล้าที่จะละความสุขต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าทรงมีความสุขแบบนี้จึงกล้าที่จะสละราชจสมบัติคยมีความสุขกับชีวิตในวันแต่พอได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วก็จะเห็นว่า เป็นความสุขที่ต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินความสุขที่อยู่ในวังที่ได้จากการอยู่ในวังนี้เป็นเหมือนดินแต่ความสุขที่ได้จากความสงบของใจเป็นเหมือนฟ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงปรารถนาที่จะให้มีแต่ความสุขแบบฟ้านี้ไปตลอดจึงต้องรู้จึงจึงต้องสละความสุขแบบดินไป จะละราชจสมบัติแล้วก็ออกพนวดไปอยู่ในป่าในเขาตามลำพังแล้วก็รักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาทำจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบแล้วก็เหมือนอยู่ในวังแต่ดีกว่าอยู่ในวังเพราะว่าเป็นความสุขที่จะอยู่ไปกับตนเองตลอดเวลา ต้องการเมื่อไหร่ก็สามารถเรียกมาได้แต่ความสุขในวังนี้ก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเกิดมีสงครามมีการต่อสู้กันมีผู้มาชิงพระราชบัลลังก์ไปได้ความสุขในวังนั้นก็จะหายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้แต่ความสุขในป่าในเขานี้ไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครมาชิง ไม่มีใครต้องการพระถึงอยู่ในป่าในเขาได้อย่างปลอดภัยเพราะไม่มีอะไรที่ใครต้องการนั่นเองมีแต่ตัวเปล่าๆใครจะต้องการคนที่เขาต้องการส่วนใหญ่เขาก็ต้องการทรัพ์สมบัติเงินทองเท่านั้นเองแต่คนที่ไม่มีทรัพ์สมบัติเงินทองแต่มีทรัพย์ภายในมีความสุขภายใน จะไม่มีใครมาทําร้ายจะไม่มีใครมาเบียดเบียน <Yeah. S 1> นี่คือความสุขที่ดีเลิศที่สุดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบหลังจากที่เสด็จออกจากวังไปแล้วพระองค์ก็ทรงตั้งใจปฏิบัติให้ความสุขนี้อยู่กับพระองค์ไปตลอดเวลาความสุขนี้เวลา ทำใจให้สงบมันก็สุขแต่พอออกมาจากความสงบความสุขนี้ก็จะหายไปถ้าไปคิดเรื่องต่างๆก็จะทำให้เกิดความทุกข์ได้ถ้าไปคิดกังวลเช่นเกี่ยวกับร่างกายถ้ากังวลว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะเกิดความทุกข์ใจได้ก็ต้องหาวิธีดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความคิดที่ไม่ ไม่ถูกต้องนี้เสียพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาว่าวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็คือต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองถ้ายอมรับได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์นี้เกิดจากความไม่ยอมรับหรือความอยากจะอยู่ไปแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองซึ่งเป็นความ ความจริงที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของร่างกายนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนเกิดแล้วมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็จะมีความทุกข์ทรมานใจทุกครั้งที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตาย ยอมรับความจริงว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็จะไม่ทุกข์เวลาแก่ก็จะไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ทุกข์เวลาตายก็จะไม่ทุกข์แต่จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาท่ามการความแก่ความเจ็บความตายนี่คือสิ่งที่พวกเราทำกันได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราต้องปร่งให้ได้ต้องยอมแก่ ต้องยอมเจ็บต้องยอมตายถ้าเราปรองได้แล้วรับรองได้ว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้จะไม่มาทำให้เราทุกข์เลยจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนเลยเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงท ร, ร ม, มาแล้วพระพุทธเจ้าทรงปรองได้แล้วด้วยปัญญาด้วยเห็นว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา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 ทรงพิจารณาแล้วก็ปลงได้ยอมรับได้อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดไปถ้าทำอะไรไม่ได้ป้องกันไม่ได้แก้ไขไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปเช่นถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ารักษาด้วยยาแล้วก็ไม่หายผ่าตัดแล้วก็ไม่หายจะตายลูกเดียวก็ต้องยอมปล่อยให้มันตายไปถ้ายอมแล้วใจจะสบาย ใจจะมีความสุขเพราะใจสงบนั่นเองถ้าไม่ยอมนี้ใจจะใจจะใจจะต่อสู้ต่อต้านการต่อสู้ต่อต้านของใจกับความจริงนี้เป็นการเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้มีความทุกข์มีความว้าวุ่นขุ่นโม่ทำให้ใจไม่สงบนั่นเองแต่ถ้ายอมรับความจริงว่าอะไรจะเกิดก็เกิด จะแก่ก็ให้มันแก่ไปจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปจะตายก็ให้มันตายไปใจจะนิ่งใจจะนิ่งแล้วใจก็จะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายความสุขปนนี้ได้เพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันทุกรูปท่านถึงตายได้ทุกเวลาตายได้ทุกแบบรูปแบบท่านไม่มีความรู้สึกสะทกสะท้านต่อความตายเลย พอใจของท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของท่านไม่ได้ไปยึดติดกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันนี่คือความสุขที่พวกเราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามฝืนใจบังคับใจทำตามพระพุทธเจ้าฝืนใจบังคับใจให้กินยาขมแบบนี้ รับรองได้ว่าโลกภัยต่างๆภายในใจคือความทุกข์ต่างๆจะหายไปได้อย่างหมดสิ้นเลยเพราะพระพุทธเจ้าได้รักษาใจของพระองค์มาแล้วด้วยวิธีนี้พระอาหารหันตสาโลกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันได้รักษาใจให้หายจากความทุกข์ด้วยวิธีนี้พวกเราก็สามารถที่จะรักษาใจของพวกเราให้หายจากความทุกข์ ทั้งหลายได้เช่นเดียวกันถ้าเราเอายาขมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้มารับประทานกันคือให้เรามาเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเสียจากเล็กจากน้อยไปหามากถ้าเรามีความสุขใจมากเท่าไหร่เราก็จะกล้าที่จะสละมากขึ้นไปเท่านั้นจนกระทั่งในที่สุดเราจะกล้าสละสมบัติเข้าของเงินทองทั้งหมด ได้หมดเลยแล้วออกบวชได้ออกไปรักษาศีลได้ออกไปปฏิบัติภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างแน่นอนขอให้เราพยายามทำกันก็แล้วกันเมื่อมีผลปรากฏขึ้นมาในใจแล้วเราก็จะมีกำลังใจที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นให้สูงขึ้นไปอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมา วัดเพื่อมาสร้างความสุขให้กับใจของเราด้วยการเอายาขมของพระพุทธเจ้ามารับประทานคือทานศีลและภาวนาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้